เป็นวันเกิดของสารวันนี้วันที่21เมษายนเมื่อ128ปีให้หลังวันครบ128ปีของสารเช้านี่มีผู้วารัชการจังหวัดมีอธิบดีสารทั้งสี่สารสารแขวงสารเยาวชนสารแรงงาน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 ไม้ทับกุฏิไปสองหลังแต่ก็ไม่เสียหายมากวันที่ส9เกาเมษาวันที่ยี่สิบหลวงพ่อไปกราบคารวะองค์หลวงตาแล้วก็ได้ไปถวายจตุปัจจัยอย่างที่เคยทำมาทุกปีหลวงตามหาบวัวบัดป่าบันตาท่านเป็นผู้มีคุณอุปการเป็นผู้สงครับวัดของเราทำกำแพง หมดเท่าไหร่ทำเคืองหมดเท่าไหร่แต่ก็ขุดสระน้ําที่ท่านช่วยวัดของเรารวมแล้วก็มากมายเพราะนั้นพวกเราช่วงนี้ก็พยายามถวายถวายคืนท่านเพราะว่าท่านก็ได้ใช้จิตุปัจจัยมากสรุปแล้วเมื่อวานหลวงพ่อเองก็ได้ถวายจิตุปัจจัยกับวันที่4เมษายน พวกเราได้ร่วมสมทบทอดผ้าป่าที่พิมายอำเภอพิมา ย, มายวัดป่าพ่มายหลวงตาดร็อกเตอร์หลวงตาบันตาทัานไปรับผ้าป่าทัานเบตตาไปรับผ้าป่าวัดของเราก็ได้เอาปัจจัยเงินสดให้พระของเราไปร่วมบวถวายปัจจัยห้าแสนนะ ถวายห้าแสนที่วัดป่าพี่ไม้คิดว่าคนคงไม่มากแต่เอาเข้าจริงก็เขารายงานมากกว่าเด็จะถูกปัจจัยเท่าไหร่ผ่าป่าสงเคราะห์โหนกที่พี่ไม้ได้ล้านแปดแล้วก็ได้ทองคำหนึ่งกิโลกับสิบเก้าบาทก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะยุคนี้สมัยนี้นะได้ขนาดนั้นของโอเป็นการ เฉดชูบูชาให้หลวงตาสงเคราะห์โลกแล้วก็เมื่อวานหลวงพ่อเข้าไปกราบองหลวงตาก็าไเลยเอาเจตปัจจัยของวัดตีเช็ดคองขวานไปสองแสนแล้วปัจจัยเงินสดมีผู้ถวายไว้ที่วัดของเราหลวงพอ่อก็รวบรวมก็ไม่ไม่ถึงห้าหมืนแต่หลวงพอ่อก็ได้หาปัจจัย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 ปีนี้จ้สร้างศาลามาขอหมุมับุมับไปเนะีเราก็ได้ให้ไปอีกโอนให้เมื่อวานเนี่ยแสนห้าว่าจะพอเพราะยังขาดอยู่วันแสนห้าก็โอนให้ก็เป็นอันว่าทั้งสามรายการนะทั้งพิมายด้วยทั้งถวายองค์หลวงตาด้วยทั้งโอนให้ท่านฉลาด เป็นเงินทั้งหมดเก้าแสนบาทนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะอนุโมทนาในจิตในใจนะอันนี้ก็คืออา น, นิสงส์ในการทำทานถวายทานจากตุปปัจจัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเราก็ได้ทำบุญในนามคณะของวัดคณะพวกเราทุกทกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาทั้งภิกษุสมัมเนถวายองหลว ง, ลงตาเป็น บูชาพระคุณของท่านอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นท่านมีพระคุณท่านได้ทากําแพงของเราหมดไปตั้งยี่สิกว่าล้านสะน้ําเท่าไหร่เขื่อนอีกเท่าไหร่ท่านได้เมตตาพวกเราเพราะนั้นพวกเราก็ควรจะแสดงความกตัญญูกตัญญูทิตาแต่ท่านไม่ว่าอะไรหรอกดวงตาท่านให้แล้วก็แล้วนะแต่เป็นหน้าที่ของเราจะต้องคิด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 ปู่เถามหาเถระเว ท, ทีเคารพสักการะบูชาของพวกเราแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ไปกราบองค์หลวงตาไปถึงตอนบ่ายสองโมงกว่ามากพอไปถึงเอหลวงตามาจากวัดผาแดงปันก็พักให้พระหนวดเจนถวายท่านเราก็เข้าไปพอดีท่านก็ลุกพอดีก็ไปกราบท่านเกาไปนั่งถามไทย คราบคาวะท่านเท่ากับพูดธรรมะให้ฟังเมื่อวานเป็นชั่วโมงกว่านะเราก็นั่งใกล้ๆท่า น, นเวลาท่านจะม้วนนาปากเราก็ได้เอากระถนให้เด็กจับให้ท่านม้วนแล้เวเวลาจะฉัานนา้แล้วก็ถวายน้ําท่านอยู่ไกลขนาดนั่นแหละหท่านก็พูดธรรมะให้ฟังแต่พูดเสียงไม่ดังนะท่านก็ยกขาที่ท่านปวดนขึ้นไปเหยียบเก้าอี้ขาหนึ่งก็หย่อนลงมา แต่ก็พูดธรรมะเออเราเนี่ยหมดแล้วนะเราหมดงานแล้วตั้งแต่ตื่นตะกอนโอ้เราภาวนาเนี่ยเอาอย่างสุดๆทันวานะเอาอย่างสุดๆไม่มีอะไรที่จะหนักยิ่งกว่าการภาวนาทำอย่างจริงจังจริงๆเราแต่เดี๋ยวนี้มันหมดงานแล้วก็ไม่คาดไปคิดว่าใจของเราเนี่ย จะเป็นใจทั้งแท่งเป็นธรรมธาตุใจออกจากวงวงวัฏฏนะไม่หมุนเวียนไม่วนเวียนกับวัฏฏะสงสารอีกแล้วรู้ได้แก่ใจมันรุดพ้นเมื่อไรมันก็รู้กิเลสมันพังออกจากใจเมื่อไรมก็รู้เรารู้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วเราก็รู้แก่ใจอีก โอ้ท่านพูดวันเนี่ยลักษณะอย่างนี้เหล่านั้นพูดท่านฟังจากนั้นท่านก็บอกวันนี้นะวันที่เราได้ตัดกิเลสลงไปเราเรียนประหยัอยู่กี่ปีนะกับวา้ฟังอีกว่าแต่หลวงพ่อจำไม่กล้าจะพูดยืนยันในจุดนี้เพราะมันลืมๆสรุปแล้วก็คือพรรษาที่สิบหกที่ท่านได้บรรลุธรรมเนี่ยที่วัดดอยธรรมเจดี ท่านบอกว่าเนี่ยเราได้สู้อย่างสุดๆเดี๋ยวนี้เราคิดอดเป็นห่วงหมูพวกเพื่อนไม่ได้เี่ยจะจริงจังหรือเปล่าก็ไม่รู้เถ้ามันไม่จริงจังมันหล่อแหละมันก็ไปไม่ได้นะถ้าว่าจริงจังเนี่ยมันไปได้นะอเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเราว่าจะไปได้เรก็จริงจังจริงๆผลที่สุดเราก็ชดสลัดกิเลสออกจากใจของเราได้จริงๆ ไม่มีความสงสัยในใจเลยแม้แต่น้อยเดียวทุกวันได้อยู่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่แบบคนว่างงานเราว่างงานนะ่ะตื่นขึ้นมาเราก็ว่างงานไม่รู้จะทําอะไรมันว่างในจิตในใจไปแต่ทำนั่นอยู่เป็นวันวันอยู่ไปเรื่อยๆ อ, อยู่เป็นวันวันอยู่เป็นเดือนเดือนปีๆไปอยู่ไปอย่างงี้แต่จะให้เราคิดภาวนาเพื่อสําระกิเลสอีกมันไม่มีแล้วไม่รู้เมื่อกิเลสตัวไหนจะเข้ามาหาเราได้อีกมันหมดแล้วหมดในจิตในใจ เรารู้แก่ใจไม่มีกิเลส ต, ตัวไหนจะเข้ามาต่อกรกับเราได้อีกแล้วใจของเราเป็นธรรมธาตุแล้วเป็น ธ, รรธาตุที่เป็นธรรมแล้วท่านย้ําอยู่อย่างนี้เหมือนกันจากนั้นท่านก็พูดให้ฟังแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อเอาคําพูดของท่านมานะหลวงพ่อกลัวจะลืมเหมือนกันะอพระที่นั่งฟังอยู่ทั้งหลังๆย่นมุมหมบมุมหมอบอแต่ไม่ได้ยินออก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 นี่ยกลางคืนเนี่ยเรานั่งภาวนา เ, นเราอยู่ที่นี่เนี่ยทเทวดาเนี่ยมาเต็มหมดนะมามากนะมาคนไหนก็มีมาอบอบโปโมธนามาเพื่อถามปัญหามาเพื่อฟังเทศกลางคืนมามากนะเราก็ฟังเจร็จแล้วก็ถามมามากเสมอทุกคืนทุกคืนแล้วก็บางคืนมากบางคืนน้อยครับผมคือเราถามก็อยากจะให้พระได้ยินท่านว่า บางคืนก็ไม่มากแต่ก็มากอยู่แต่บางคืนก็ไม่เสมอกันที่พระ อ, อินทาราชที่มาขอฟันขององค์หลวงตาขาวนั้นที่หลวงตาว่าฟันตอนเช้ามาฟันหายไปเลยจากนั้นมาท่านได้มาอีกไหมครับผมหลวงพ่อถามเมื่อวานไม่มาไม่เห็นไม่เห็นมาอีกเนี่ย อันนี้เราเราจะไม่พูดให้แกใครฟังนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็หลวงพ่อกันกันลืมไมเ่เฉยเฉยนะถ้าหลวงพ่อไม่พูดใส่เอ็มพีสามไว้เดี๋ยวก็จะลืมเดือนรางพิภพพ่อที่ยินกับหูจริงๆเมื่อวานานี่นเหมือนกนใช่ได้ยินที่ท่านนั่งอยู่โอ้พ่อแม่ครูบาอาจารย์อท่านรู้ท่านเห็นท่านไม่พูดได้ง่ายๆเหมือนกัน แต่หลงพ่อพูดน่ยไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอาความลับของหลวงตามาพูดนะัะนแต่ว่าพูดไว้เพื่อให้อยู่ในเทปไว้ลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นข้อสังเกตเป็นแนวทางที่ว่าองค์หลวงตาเนี่ยท่านรู้เห็นยังไงเมื่อวานท่านยืนยันเราได้ฟังอย่างเต็มหูสองหูเลยเต็มใจเต็มอย่างหัวอกหัวใจเลยว่างั้นที่หลวงตาพูดให้ฟังเมื่อวาน แต่กระทำเน้นหนักเรื่องภาคปฏิบัตินี่อย่างมากเลยเพราะฉะนั้นขอให้พระลูกหลานน้องนุ่มทั้งหลายเนะ้อลูกชิดลูกหาทั้งหลาย ท, ทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายคฆราวาสญาติโยมนะให้มุ่งมัน่นให้ตั้งอกตั้งใจอย่าไปหวังอะไรโลกนะโลกมิจะเกิดแก่เจ็บตายท่้งนั้นนะถึงจะร่ํารวยมั่งมีสีสุขขนาดไหนก่อนนะั้นอีกสักวันเนึ่ยก็เตรียมหีดเตรียมโลงไว้เลย มันไม่มีอะไรที่จะเป็นสวรรค์ที่มานต่อไปภายภาคหน้าหรอกเพราะนั้นขอให้พวกเรามุ่งเน้นหนักในศีลในธรรมมรรคผลนิพพานมีจริงอย่างที่ตรงตาพูดเมื่อวานนี้กับเท่าความไปถึงครูบาอาจารย์ทานชิงทองกระดูกงท่านก็เป็นพระาธาตุนะท่านจวนกับกระดูกเป็นพระาธาตุนะนี่แหละพระหลายองค์นะที่กระดูกเป็นพระาธาตุ ที่เป็นลูกชิดลูกหาพ่อแม่คุณจัน์มั่นอันนี้คือหลวงตาท่านเท้าวความหลายๆองค์เมื่อวานท่านพูดเป็นชั่วโมงเคี้ยวหมากทั้งสี่คำเมื่อกันเถอะที่ท่านเคียระบวนเคี้ยระบวนสี่คำเมื่อกันเอยหลวงตาเมื่อวานนี่นะอันนี้ก็หลวงพ่อได้ฟังจากนั้นหลวงพ่อก็กาปลาท่านประมาณสี่โมงกว่า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 ถ้าคิดว่าจะประชุมเพลิงวันที่9พุทธภาที่จะถึงนี่แหละแต่หลวงพ่อก็ไปเมื่อวันที่20ออกจากวัดปา่าบรรดาก็ไปที่วัดหินมักเป่งจากนั้นก็ค่อยกลับมาวัดนี่แหละทุระการงานของหลวงพ่ออืที่กลับมาคํามืดมาไปอย่างนั้นน่ะให้เขาบอกไปเราอยู่ในชุมชนสังคมได้ยินแล้วก็เป็นยังไงควรจะไปไม่ควรไปเหมาะสมไม่เหมาะไง ที่เป็นหัวหน้าก็ต้องได้คิดอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะไปก็เตลิดเปิดเปิงไม่ใช่ต้องคิดตะก่อนว่าควรจะไปมีเหตุผลอะไรสมควรที่จะไปไหมแต่ถึงยังไงข่าวนี้ไม่เด็กเข้าไปกราบองหลวงตานานนะพอหลวงพ่อเป็นวัดถ้าจําไม่ผิดขึ้นมาจากภูเก็แล้วขึ้นมาไปคําชอีเนี่ยไปวันที่สิบเจ็ด นั่นแหะเป็นหวัดตั้งแต่ข้าวนุ่นเรื่องเป็นหวัดเป็นหวัดหนักสองวันก่อนไปแล้วก็ไปหนักอยู่ห้วยทรายจนวันถึงวันที่สามสิบจะกลับมาพอกลับมาแล้วกันนี่มันนอนสมซานอยู่ในวัดยาไม่รู้ว่ายาขนาดไหนต่อขนาดไหนแล้วก็พึ่งมาหายเมื่อวันวันก่อนเมื่อวันที่สิบเก้าดูดูแล้วเดือนกว่ากว่าเดือนกับอาทิตย์เนี่ยพูดง่ายๆ หนึ่งเดือนกับอาทิตย์เป็นวัดข้าวเนี่รู้สึกว่าเป็นนานมากตั้งเป็นหวัดเป็นไอเพราะนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปกราบองค์หลวงตาเพราะว่ากลัวจะนําหวัดไอเข้าไปติดท่านท่านก็อายุถึงขนาดนั้นแล้วเราจะนํำวัดนําไอเข้าไปพูดคุยกับท่านใกล้ๆไม่ได้ล่ะเดี๋ยววัดไอไปติดท่านแล้วโอเป็นเรื่องใหญ่เพราะนั้นจึงไม่เข้าไปใกล้ท่านเป็นเดือนกว่า เมื่อวานเนี่ยคิดว่าวัดไอก็คิดว่าหายคิดว่าดูตัวเองเร า, าหายขาดแบบนั้นแต่ดีขึ้นมากมากแาบนั้นจึงได้เข้าไปกราบคารวะทันเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นวัดของเราก็ได้ทําบุญทําทานอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละขอให้พวกเราอนุโมทนาสาธุแล้วก็พร้อมกันให้ตั้งอกตั้งใจภาวนานะะหลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เอาตอนนี้ไปนั่งภาวนาที่นี้